เทศนาแผ่นที่76็ดสิาหำนับที่20โดยหลวงพ่ออินทวาวสันจุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงธรรมในวันที่29สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไร วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อเช้าหกคณะสัทธาญาติโยมก็ได้มาร่วมตักบาตรและก็ททำบุญที่วัดของเรารู้สึกว่า อ, อบอุ่นมาถามถา ม, ถามดูล้วก็มาหลายจังหวัดเหมือนกันต่างจังหวัด มาถึงทางจังหวัดชุรินทางภาคกลางภาคเหนือที่มาเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าพี่น้องชัทานญาติโยมมามากพอเป็นวันเสราร์ด้วยแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยวันสิ้นเดือนเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีพอดีเพราะว่าเป็นวันพระ แล้วก็พร้อมกันก็เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์ด้วยพอตอนเที่ยงพระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถสวดพระปฏิโมกแปลว่าวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมในวัดของเราหลายหลายอย่างพอตกตอนเย็นก็พี่น้องศรัทธาญาติโยม ก็ได้มาร่วมกันรวมกันอีกรอบหนึ่งเป็นการไหว้พระรวมกันไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก่อนหลวงพ่อก็จะได้กล่าวป่ารบเรื่องต่างๆให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่ที่มาพบมาเจอกันแล้วก็ควรจะมี เรื่องราวอะไรพูดให้เป็นให้ฟังเพื่อเป็นชริเพื่อเป็นมงคลถ้าไม่พูดกันเลยมาถึงกันแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ต่างคนต่างไปต่อไปก็เบื่อเบื่อหน้ากันเหมือนกันนะเบื่อขี้หน้ากันเหมือนไม่ต้องจะมาเลยมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ศึกษาปารบอะไรนี่แหละสิ่งเหล่านี้ในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันนะขรราธาาโจร พราอหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในพระธรรมคําสอนในพระไตรัยปิฎกท่านก็ได้ปารบหลายแนวทางถ้าพวกเราจะนํามาศึกษานํามาพูดมากล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังในครั้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เมื่อไปเจอไปพบกับศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมที่วนไปฉันอาหาร เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มองหน้ากันแล้วกัอไม่ได้พูดอะไรก็ต่างอกคนก็ต่างไปก็ไม่ได้กล่าวอนุโมทนาหรือไม่ได้กล่าวป ร, รบเรื่องงานอะไรแต่ในทางฝ่ายนอกศาสนาเขาเดลทีนี่คลนพอไปเห็นเขาก็พอทานฉันฉันเสร็จแล้วเขาก็ให้พร เออพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอกัน เ, เดี๋ยวนี้ทางนน้นะมีน้ำน้าไหลหลากทางนั้นมีโคลนตมทางนี้มีขวากขวกัหนามทางนน้นมีอสรพิษทางนน้นเป็นโจรผู้ร้ายพวกเราอย่าไปเนะินทางโน้นทางนี้นะให้เดินทางให้สำรวมระวังวก็ขอให้พวกเรา มีแต่ความสุขความเจริญนะ้าพอเสร็จแล้วก็เดลัทธีเหล่านั้นเขาก็ไปแต่ในพี่น้องประชาชนเขาก็เอออย่างน้อยก็ท่านอย่างเดลัทธีเนี่ยคนนอกศาสนาเขาก็ยังได้กล่าวเป็นแนะแนวทางแล้วว่าให้ศีลให้พรกับพวกเราแต่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสานาพอฉันยังหารเสร็จแล้ว ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็พอฉั้นเ้ยกับต่างคนต่างลุกไปไม่ได้กล่าวอะไรทีนี้เขาก็ติฉินนินทาแบบไกลๆทีนี้พระสงฆ์ก็ได้ยินอพอได้ยินก็ไม่สบายใจก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติเออตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมื่อพวกท่านทั้งหลาย ฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วในที่งานของเขาพวกท่านก็ควรจะกล่าวเรื่องราวให้ให้ศีลให้พรนี่แหละอย่างที่ว่ายะถาวาริวาหาปุราเนี่ยความแปลและความหมายแล้วว่าสัสพพุทธานุภาเวนะด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ โดยอำนาจสินสักติขอให้ท่านมีอายุยืนนานถึงพันปีอยู่ในชพรพุท ธ, ธาคือเป็นการให้สินให้พรกล่าวอำหนวยอวยพรให้สุข ก, กายสุขใจเนาคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมพวกเราได้มาพบมาเจอกันอันนี้ก็คือความเป็นมาแต่ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้า พอไปพบไปเจอกันก็ได้พูดสนทนาปารบกันแล้วก็ให้ศีลให้พรแล้วก็แยกย้ายกันแต่พอต่อมาพวกเดลธีเขาก็มีคำพูดน้อยเขาก็บอกว่าโอยสัมมณะสากยบุตรเนี่ไปที่ไหนมีจะพูดให้ศีลให้พรแต่พวกเราไม่ต้องพูดพวกเรานะ่อยู่เน่งเนี่แหละคำว่ามุณี แปลว่าผู้สงบผู้ผู้เน่งเนะี่ยคือผู้สงบแปลว่ามุนีแต่นั้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพ่งพลาดพูดหลายเรื่องราวตอนนี้พระสงฆ์ก็ได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าอีกหลายเรื่องนะศรัทธาญาติโยมนะพระในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเรื่องตติชินินทา แต่ทิ้งยังไงพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นาศาสนาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาต้องได้รับรู้รับทราบในเมื่อว่าพระสงฆ์ไม่ให้พรก่อนมีกลุ่มหนึ่งมากราบทูลพระพุทธเจ้าแต่ในเมื่อพระสงฆ์ให้พรไปแล้วเขาจีนินทาอีกกลุ่มนึงก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธองค์บอกว่าคําว่ามุนีของเราในพุทธาศาสนาของเรา ไม่ใช่พูดสงบนิ่งเท่านั้นคำว่าสงบนิ่งคานี้นะ่ะแปลว่าไม่รู้เรื่องต่างต่างก็จะไปพูดได้ยังไงเพราะคนที่เขาไม่รู้ให้พรก็ไม่ได้ไม่รู้จะให้ยังไงจะไม่นิ่งได้ยังไงเพราะว่าไม่รู้แต่รู้อยู่แต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงพอะจะพูดขึ้นมากับคัง ขากันไกสั่นเลยตัวสั่นเลยเพราะไม่กล้าพูดอันนั้นก็จะไปพูดได้อย่างไรเพราะว่าไม่กล้าและอีกอย่างหนึง่งเพราะความโง่เขลาไม่รู้จะออกพูดออกได้อย่างไงเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาจะเฉลียวฉลาดและจะไปกล่าวสุนทรพจน์ระหว่ากล่าวให้ศีลให้พรในที่สาธารณะ เขาได้อย่างไรเราไม่ได้กล่าวว่าคนอคนพูดหรือคนไม่พูดคนเน่งเท่านั้นเป็นมุนีไม่ใช่ผู้ที่ละบาปออกจากใจผู้ที่เห็นโทษในบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเราเรียกว่ามุนีแปลว่าผู้สงบระงับจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวง พระพุทธเจ้าท่านท่านกนระตัดอย่างนี้ไปอีกนะอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้ไปหน้าเดียวท่านไปให้ใช้ความคิดสรุปแล้วก็คือให้ถูกต้องพเพราะการพูดก็ดีเพราะนั้นการที่พวกเราได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้ล่ะเพราะนั้นก็ควรจะมีเรื่องกล่าว แนะนำกล่าวสมุดธนิยกาถาหรือว่ากล่าวเรื่องราวที่ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างที่ลูกพ่อได้ยกหลายครั้งตอหลายหนผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้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 เนียว่าเรามาจินตนาอีกที่หนึ่งครบครวนอีกที่หนึ่งหน่อยจินตามะยะปัญญาแล้วก็เกิดปัญญาแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเราสงบนิ่งผ่านความสงบแล้วจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะจิตใจของเรา นิง่งสงบอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้การได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาคิดนํามาพิจารณาจากนั้นก็นำ ม, มาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของพวกเราท่าทั้งหลายนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารรคณะทายาทจม พระเนนลูกหลานทุกองค์นต้องอาศัยฝ่ายในการศึกษาเรียนรู้นะแต่วันนี้หลวงพ่อเองมีคณะสัตธาญาโยมมาเกี่ยวข้องหลายระดับนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านก็ให้สอนบอกกล่าวว่าทานศีลภาวนานะอันนี้คือหลักใหญ่เลยนะคนอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็น กลุ่มเป็นคณะเป็นพักเป็นพวกเป็นสมรมใหญ่ก็จะต้องมีการเสียสละให้กันและกันอันนี้คือทานะคือทานคือการเสียสละมีการให้อมิตรทานคือการให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารก็จําเป็นเพราะเราพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละเมื่อได้มาแล้วแบ่งปันกันให้มีอยู่มีกินให้ทั่วถึง ถ้าใครขาดเหลือขาดตกอะไรก็บอกดูกันดูแลกันนั่นแหละคือทานะคือการเสียสละคืออามิสทานการอยู่ด้วยการมากมายหลายคนบางทีก็ทำให้คนหนึ่งไม่สบายใจคนหนึ่งทุกทุกใจเพราะคนหนึ่งทำไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องกระทบกระเทือนบางทีการคิดการทำการพูดมัน ไม่สบายใจอีกคนกลุ่มหนึ่งหมู่หนึ่งคณะหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งอันนี้เลยว่าต้องให้อภัยกันบางทีก็ไม่เจตนาบางทีก็ไม่ได้คิดไม่คาดไม่ถึงว่ามันจะเรื่องราวอย่างนั้นเกิดขึ้นอันนี้ว่าอภัยยานคือการให้อภัยซึ่งกันและกันแต่บางคนก็ยังไม่รู้เข้ามาศึกษาในหลักธรรม ไม่รู้ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนยังไงกฎหมายมียังไงกิจจวัดข้อวัดยังไงเรื่องราวเรื่องต่างๆที่เรายังไม่ไม่รู้เราก็สอนก็บอกกันเพื่อเป็นการแนะแนวให้ซึ่งกันและกันอย่าเป็นวิชาอาชีพก็ดีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็ดีอันนี้การบอกกล่าวกันอันนี้เราว่าวิทยาทานการให วิทยาทานคือให้ความรู้กับผู้คนที่รู้จักที่พอจะรับได้เราให้ให้เขาไม่หวงวิชาของตัวเองอันนี้เรียก ว, ว่าวิทยาทานธรรมทานก็คือนีนะ่อย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำบอกกล่าวให้พวกเรารู้จักศีลรู้จักธรรมเรื่องทานเป็นอย่างนี้นะเรื่องศีลเป็นอย่างนี้นะเรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้นะ แนะนำหาจนถึงทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้เรียกว่ า, าธรรมทานาธรรมทานเลยเลิศประเสริฐกว่าการให้ทานทั้งหลายทั้งปวงในหลักธรรมคำสอนให้ทาเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้อย่างนั้น เพราะนั้นอันนี้เรื่องการเป็นอยู่เรื่องทานเรื่องศินการอยู่ด้วยการต้องมีกฎต้องมีระเบียบถ้าว่าพวกเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบต่างคนต่างอยู่แล้วพวกเราจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะไม่ได้คิดอยากจะฆ่ากันคิดจะขโมยกันคิดจะลาบล ะ, ระรวงในสามีภรรยาซึ่งกันและกันคิดโกหกต้มตุนหลอกลวงกัน แล้วก็ดื่มคัญชายาวฝิ่นเฮโรอินสุราขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก่อนเน่ะไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่จักไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเออควรคิดควรทำควรพูดอะไรไม่รู้พอมนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ทำความชั่วเลยทุกอย่างเพราะการมันขาดสติอันนี้แหะคือคนไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเออไม่มี จริยธรรมที่ดีอันนี้แหละคือศีลทานอันที่แรกก็คือทานคือเกี่การเสียสะละการเลี้ยนต่อมา ก, ก็คือศีลการอยู่ด้วยกันไม่คิดฆ่ากันไม่คิดขโมยกันล้วนแล้วจะเป็นกฎเป็นระเบียบในการอยู่ด้วยกันถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกฎด้วยระเบียบอย่างนี้พวกเราจะอยู่กันมากน้อยแค่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ในกลุ่มในหมู่ในคณะของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในสินเนี่ยแม้จะอยู่สองคนเท่านั้นอ่มีแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่จะข้าวฟันรันแทงกันอย่างนั้นอ่ะอย่าหวังเลยความสงบรลมเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็คือสินการอยู่ด้วยกันแต่ส่วนสมาธิคือแนวความคิดทางด้านจิตใจ สมาธิคือแนวความคิดทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาตัวนี้เป็นแนวแถวเป็นแนวแถวของพุทธะอะตัวนี้นะแต่ว่าเรื่องสิทานเรื่องศีลเนี่ยเป็นการอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องของโลกมาตั้งแต่ดึกดําบันการอยู่ด้วยกันแต่เรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศ า, าสนาเป็นเรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไตัวนี้เพราะมันเป็นแนวความคิด ถ้าคนคิดดีการกระทำออกไปมันก็ต้องดีการพูดออกไปก็ต้องดีเพราะอะไรเพราะคิดดีนะเพราะนั้นการที่จะคิดดีได้จุดนี้นะ่ะต้องทำยังไงนี่แหละในหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านนะให้มีสมาธนะิจิตใจที่มีสมาธินะดีจิตใจที่เน่งจิตใจที่สงบนะจิตใจก็ต้องมีเหตุมีผล ถ้าว่าจิตใจของเรารวนเรเอใครเข้าว่าจิตใจขาดสติดูสิคนเป็นบ้านาจะคิดจะพูดจะทาอะไรจะทาอะไรจะพูดอะไรออกไปไม่น่าไว้ใจทั้งนั้นเพราะไรเพราะคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วมั น, มนพูดอะไรไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้นท่านจึงให้มีสติ อ, อยู่กับตนเองถ้าคนมีสติอยู่กับตนเอง จะพูดอะไรออกไปก็น่าฟังฟังแล้วก็ามีเหตุมีผลในเรื่องที่ท่านพูดออกไปนั้นนั้นคนคนนั้นพูดออกไปนั้นนั้นนี่แหละเรื่องสมาธิจะทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะก็อยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขสมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธิท่านทำอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ไปค้นคว้าศึกษา ก่อนที่จะเป็นสมาธิทีแนบหนึ่งที่แนนอนจริงๆนั้นไม่ใช่คิดนึกเดาคาดคะเนคาดการเอาไม่ใช่ต้องตั้งสติสติสัมปะชัญญาสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญาคือความรู้ตัวความรู้ตัวในตัวสติต้องระลึกซะก่อนจากนั้นพอระลึกเสร็จแล้วสานึกตัวได้แล้วนะ ก็ให้มีสัมปะชัญญะว่าข้าพเจ้า น, นึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้จากนั้นก็ให้กําหนดอะไรท่านนึกคิดอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ท่านี้มันก็ทะเลทรายไปที่อื่นอีกท่านก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ารูัว่าหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละ อันนี้คือเป็นการฝึกสติแล้วนะที่นี่นะก่อนที่จะฝึกสตินั้นเราจะนั่งยังไงท่านก็บอกให้นั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานที่พวกเรานั่งเห็นต่อหน้าของพวกเรานี่แหละนั่งอย่างนั้นแหละยังนั่งอย่า ง, งพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแต่สําหรับพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาสายหลวงปู่มั่นท่านว่าเมื่อมื่อ ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกสะกร่อนคือไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมประส ง, ททมมสงค์พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสจบสมครั้งเพราะว่าการทำสมาธิไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนำเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าในเมื่อเราจะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราต้องยกมือไหว้ครูสักก่อน เพระพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ เ, าเราต้องยกมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เสียก่อนเราจึงไหว้พุทธโธธรรมโมสังโฆจากนั้นเราก็เอามือลงพ อ, อมือลงนั่นก็กำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเรีว่าภาวนาพุทโธสายลุงปู่มั่นนะถ้าหาว่าเราไม่บริกรรมพุทโธด้วยมีแต่กําหนดลมหายใจเข้า หายใจออกเนี่ยมันมันหลงมันลืมมันเผลอได้ง่ายให้สำทับกับพุทโธเขาอีกนะนี่แหละอันนี้ละมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดเพราะว่าอนุสติสิบของพระพุทธเจ้าน่ยพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรร ม, มานุสติระลึกถึงพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าสังขานุสติและลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าศีลานุสติระลึกถึงศีลของตน จ้าคาโุสติะระลึกถึงทานของตอนเทวตาโนสติะระลึกถึงคุณของเทวดาทำคุณยังไงทำอย่างไงจึงได้จะเป็นเทวดาเป็นคนดีได้ไออันนี้ก็คือเทวตาจากนั้นก็ น, นี่แลหละให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกาหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นหลักภาวนาพุโโทโธ ตัวกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักนั่งนานไม่หลงพอนานเท่าที่จะนานได้นานที่สุดเท่าที่จะนานนะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสแล้วครพยายามนั่งบังคับให้นานในเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะเราจะรู้ตัวของเราเองอยู่ตลอดเลยเมื่อจิตใจเราเนิ่งสงบลงไปแล้วเราจะรู้ได้เออ ร่างกายของเราเนี่เป็นอันหนึ่งจิตใจของเราเนี่เป็นอันหนึ่งร่างกายก็คือรถเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถมันคนละอันกันเป็นคนละแนวแนวกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะัตหาญ า, าจมลูกหลานทุกคนนะให้ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติอยู่ในบ้านในเรือนก็ทำได้คุณงามความดีถ้าว่าทาความชั่วก็ทาได้เหมือนกัน แต่ทำความชั่วเนี่เดือดร้อนนะใครทำความชั่วเดือดร้อนเมื่อภายหลังอากตะตังลุกตะตังเสยโยปัชชาตปฏิลุกตะตังกรรมชั่วความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเห็นไหมล่ะทุกวันนี่ เราก็ไม่ได้ช้ํามได้เติมหรอก เ, ออเห็นระดับอายุมากๆเลยเข้าคุกเข้าตารางการเป็นแถบเพราะตัวเองไม่ได้คิดในการกระทํานั้นในเมื่อกฎหมายเขาเล่นงานเอาเขากฎหมายแต่มันผิดนะทําไมก็เรากวรู้อยู่มันผิดแต่คิดว่ามันไม่เป็นไร เ, เราก็ทําลงไปทําด้วยความเกรงใจหมู่พวกเพื่อนทําด้วยความ ไม่รอบครอบทำด้วยความกลัวอำนาจของคนอื่นทำด้วยเห็นแก่พักแก่พวกแก่เพื่อนแก่ฟูงก็ได้ทำไปพอทำเสร็จเรียบร้อยนัะทือถึงถ้งงั้นทำความชั่วความชั่วมันก็ต้องให้ผลเหมือนกับเราไปจับไฟไปจับไฟในหมู่พวกญาติพี่น้องมากเอาเกอพี่น้องมามากขนานี้จับไฟมันไม่ร้อนหรอก จับมันก็ร้อนเอาเถอะเราไปจับไฟในที่มืดๆปิดประตูหน้าต่างดีๆจับมันก็ร้อนอีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟเออไปจับที่ไหนมันก็ร้อนหมดฮะเว้นเสียแต่มุดลงไปในน้ําจับเออมันไฟดับแล้วมันก็คงไม่ร้อนะแต่ตามไม่จริงถ้าเขาเอต้มน้ําขึ้นมาก็ไปลงไปจับเนีในน้ําร้อนมันกน็ลวกมืออีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันไฟ ไฟคาว่าไฟคำนี้แหละคือความชั่วไฟคือความชั่วถึงจะทำในที่ลับถึงจะทำในที่แจง้งถึงจะทำในที่ไหนๆก็คือไฟเพราะนั้นความชั่วคือไฟอย่าจับเฉยดีกว่าความชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วความชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อเราไปจับไฟ เมื่อจับไฟตัวเองจับไฟนะใครเป็นคนเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนอมือพองไปหมดมือไฟไหม้เป็นยังไงมันไหม้ร่างกายเป็นยังไงนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละขอให้พวกเราคันทั์ธาญาติจมลูกหลานทุกคนนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นให้สำรวมระวังแต่เมื่อเราทำลงไปแล้วนะั่นะในเมื่อมัน กรชั่วให้ผลไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ใครอื่นนะเดือดร้อนนะตัวเองเดือดร้อนถึงใครจะบังคับให้ตัวเองทํอบังคับให้ทําเราก็รู้ว่าม่เป็นไฟแล้วจะไปจับทำไหมบังคับให้จับไฟเราไปจับใช่ไหมเราโง่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมหรือเรามีผลประโยชน์อะไรถึงจะไปจับไฟ เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวง เ, เราต้อง เป็นตัวของตัวบางครั้งไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดเพราะห้ดเพราะมันเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันนะพระเนนลูกหลานทุกองก็เหมือนกันถ้าสิ่งไหนที่มันผิดหลักพระธรรมวินยัยมันผิดวินยัยถึงใครจะบังคับให้ทำกระยาทำน ะ, เ, ะเพราะมันผิดวินยัยผิดศีลทำให้ตนเองเดือดร้อนอใครไปตกนรกแทนเราละ่ะในเมื่อเราทำสิ่งที่มันไม่ดีนี้ก็เหมือนกันนะ เมื่อเราทำสิ่งที่มันไม่ดีใครไปติดคุกแทนเราผูกก้กระทำนั่นแหละเป็นผู้ไปติดคุกปิดติดตรางเองเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเชื่อกมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงทำชั่วแล้วมันจะดีได้ยังไงเพราะต่ำเองทำชั่วเมื่อเราจับไฟมันก็ร้อนเสียนะเพราะนั้นการกล่าว สมโมทนิยกาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสุมควรกับการเวลาขอยต่อ น, นี้ไปให้พวกเรานั่งสมาธิ น, ต น, นัตตินะนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิจากนั่งปนมมืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อปนมมือแล้วก็ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรมโมสังโโหสามจบจากนั้นเมื่อได้เวลาแล้วนะ หลวงพ่อจะได้บอกว่าข่าวเอ้าวพ่อจากนั้นเราก็อุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลบุญผลบุญที่เราได้นั่งขัดสมาธิได้นั่งสมาธิในวันนี้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศานาญาติญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้นั่งสมาธิในวันนี้นะเอาตอนนี้ไปเอานั่งนาฏีนะ